เรื่องราวมากมายที่เพียงคนหาที่เห็นเป็นทองจตายไ่คิดที่วิญผู้คนอาจเคยลอยใจเละยังสับสน เธอมากมายวกวนไม่เกิดกับฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุก ให้เหตุผลได้ประโทษฟ้าโทษดาวออในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะไ้่จะดีมันอยู่ที่รู้ว่าเธอนั้นเองอยางให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทังของเธอในคิดในใจ อาจคอยสมพลไร้ไร้อาจลึกลับแต่มั่นคง ก, การสมพลข้างกันคือทำอะไรทำดีหรือลายผลนั้นคือกันแม่ดวงและดาวจะไม่เปล่า ให้ยิ้มและสู่อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นแพตุด้วยไรที่ไหนกัน ฟ้าโทษดาวเธอในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอย่าให้ลองดูเรื่องกานคือการประทังของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผ กันคมกับกสลของกที่อะไรทำดีรายผลคือกรรแมดดาวมพรแสแ้วันนี้จะอ่อนแรงดดี นให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปแทนทั น, ทนดี